เช้าวันต่อมานัชเลก็พาอเวราไปหาหมออุปการะถึงที่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีคมอพ่อหมออา้าวสวัสดีครับอา้าวว่าไงหนูสายวันนี้พาใครมาด้วยเนี่ยนักเค้กค่ะน่าเหรอใช่ค่ะ oh. แกกว่าสายแค่เจ็ดปีเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่แต่นักเ ค, ค้กหน้าอ่อนพ่อหมออานได้ว่าเป็นเพื่อนสายก็ได้นะคะอืม กำลังนึกอยู่จริงๆนั่นแหละนอกจากจะหน้าอ่อนแล้วใจพวกหนูยังเสมอกันเหมือนเพื่อนด้วยละ่ะอุ๊ยไม่กล้าแล้วค่ะนาเค้เป็นญาติผู้ใหญ่อย่างมากก็เผลอเรียกพี่นับศักก์ก็เรื่องหนึ่งนับใจก็อีกเรื่องหนึ่งใครเป็นแรงบันดาลใจในทางบุญให้อีกฝ่ายจังหวะนั้นก็อยู่ในฐานะผู้เดินนาให้อีกฝ่ายเป็นผู้ติดตามค่ะชายอ่ะเหมือนเจ้าหญิง เคยบอกเขาเหมือนกันว่าบางทีเดินกับเขาแล้วรู้สึกเหมือนเค้กเป็นคนรับใช้สงสัยชาติก่อนคงเคยเป็นนายเป็นบ่าวกัน <c oughs> ท่วงทีที่สง่างามประกอบกับจิตที่สว่างจัดด้วยปัญญาแหลมคมมีอิทธิพลจับตาและบรรดาให้คนนึกไปได้ขนาดนั้นแหละอีกอย่างหนูสายเป็นแรงบรนดานใจดีๆทำให้หนูรู้สึกอบอุ่นในช่วงที่อ้างว้าง นูเลยเห็นตัวเองอยู่ในฐานะต่ำกว่าแล้วคะนึกว่าชาติก่อนเคยเป็นนายเป็นบ่าวกันมาจริงๆซะอีก <c oughs> ความรู้สึกเป็นนั่นเป็นนี่ก็คือพบย่อยพบหนึ่งที่จิตยึดเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไกลถึงปางก่อนปางหลังหรอกกรรมดีกรรมชั่วก่อร่างสร้างพบให้เราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้ในชาตินี้ชาติเดียวยังพอหนูชนะกิเลดได้เหนือเขาก็เท่ากับชนะใจเขาด้วย พบแห่งความเป็นเพื่อนก็ปรากฏแทนพบแห่งความเป็นใหญ่เป็นรองเอ๊ะสายแอบเอาเรื่องของเรามาบอกพ่อหมอก่อนหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้ละเอียดขนาดนี้ล่ะหนูสายไม่ได้มาหาผมบ่อยลอกอย่างที่พาหนูเค้กมาวันนี้ก็ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าด้วยอุ๊ยบังเอิญจังพ่อหมอพูดเหมือนรู้เลยว่าเราคิดอะไรเออเมื่อวานหนูได้ยินสายเล่าเรื่องเกี่ยวกับพ่อหมอ แล้วอยากพบบ้างนะคะที่ผ่านมาทายกับคุณแม่ของเขาก็ช่วยฉุดหนูขึ้นจากลมจนได้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาพอรู้ว่าทายศรัทธาใครหนูเลยอยากมาขอคำแนะนำบ้างนะคะผมไม่ได้แนะนำสั่งสอนมากนักหรอกหนูทายมีดีด้วยตัวเองอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว <c oughs> มีดีสัแค่ไหนคะวันแรกที่มาหาหนูยังสงสัยเลยว่าชาติก่อนชาติหน้ามีจริงไห้ ถ้าไม่ได้พ่อหมอช่วยไขยให้ด้วยวิธีที่หนูสามารถประจักษ์กับตัวป่านนี้คงยังสงสัยไม่เลิกก็ดีแล้วความหายสงสัยของหนูจะช่วยให้คนอื่นคลายสงสัยตามได้อีกเยอะแล้วหนูเค้กเองก็หายสงสัยเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแล้วนี่นะเท่าที่เค้กพอมีประสบการณ์ก็คงแค่ความผูกพันที่เหนียวแน่นมั้งคะที่เออทาให้รู้สึกว่าชีวิตก่อนและชีวิตหน้าคงมีอยู่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 จากรูปแบบเหตุการณ์ที่เวียนมากระทบหนูซ้ำรอยเดียวกันอยู่เรื่อยนอกจากนี้หนูยังประจักษ์ว่ามนุษย์เรามีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ขนาดไหนการเห็นความต่างระหว่างกรรมเก่ากับกรรมใหม่ของเราเองนั่นแหละต้นทางไปสู่สัทธานในกรรมวิบากและพบภูมิแบบไม่งมงายแปลว่าตอนนี้หนูหายโง่แล้วเหรอคะอภัยทานทําให้หนูหายโง่เรื่องการผูกเวร พ่อหมอรู้จริงๆนี่รู้เข้าไปถึงในระดับความรู้สึกความคิดของเราได้เลยอย่างน้อยก็คิดว่าถ้าเจอเขาอีกในชาติหน้าคงไม่มีเรื่องหน่าเศร้าเหมือนชาตินี้อีกแล้วนั่นแหละความรู้สึกอันเป็นผลมาจากการอาโหสิให้แก่กันด้วยหัวใจกรรมเก่าของหนูเป็นแบบไหนแล้วกรรมใหม่ที่ได้ทําไปแล้วมีอะไรบ้างคะขอแบบให้เห็นภาพรวมชัดๆหน่อยได้ไหมกรรมเก่าของหนูทําให้สวย เพื่อ น, นำทุกและนำไพเวนมาสู่ตัวส่วนกำใหม่ที่เพิ่งทําลุล่วงไปคือปลดห่วงโซ่แห่งไพเวนเส้นหนึ่งออกด้วยอภัยทานตรงกับที่หนูคิดๆพอดีเลยค่ะต่อไปพอมองใครๆ ค, คงเห็นจากมุมมองทํานองนี้คือเห็นพวกเขากำลังเสวยกรรมเก่าส่วนหนึ่งและสร้างกำรรใหม่อีกส่วนหนึ่งกันอยู่ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้แล้วนั่นแหละ การปรากฏแสดงตัวของกรรมเก่าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เองแม้แต่ใจก็เป็นผลที่เกิดจากกรรมเก่าเหรอคะใช่ใจที่มืดบอดสมภูมินรกในรัฉานหรือเปรตก็แยกย้ายกันไปถือกำเนิดในอนาณาจักรนั้นๆส่วนใจที่เป็นกุศลสมภูมิมนุษย์ก็ได้มาเกิดในท้องมนุษย์ฟังแล้วค่อยสบายใจหน่อยคะ่ะเหมือนตัวเองเป็นคนมีบุญเลยนะคะ นึกว่าเค้กเป็นนางบาปซะอีกการเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยก็ด้วยมีบุญพอนั่นแหละถึงหนูเค้กจะรู้สึกเหมือนเป็นคนบาปเพราะเจอแต่เรื่องร้ายๆก็ตามสัตว์ที่มาเข้าทอมนุษย์เนี่ยต้องมีคุณภาพจิตที่เหนือกว่าสัตว์ในอบัยพุมทั้งหลายนับตั้งแต่ความสำนึกรับผิดชอบชั่วดีความสามารถเรียนรู้ความสามารถคิดอ่านอย่างมีเหตุผลความสามารถเปลี่ยนเส้นทางกรรมให้เป็นอื่นตลอดจนกระทั่งความสามารถ กําหนดสติให้รู้เห็นตามจริงเพื่อเป็นอิสระจากอุปท า, านทั้งปวงได้พ่าหมอคะแต่ละครั้งที่เกิดใหม่เนี่ยจิตเป็นคนละดวงกับพบเก่าแล้วใช่ไหมคะใช่จิตสัตว์นรกก็แบบหนึ่งจิตสัตว์เดรัจฉานก็แบบหนึ่งจิตเปรตก็แบบหนึ่งจิตมนุษย์ก็แบบนึงน้ําหนักกุศลหรืออกุศลในปางก่อนจะเป็นตัวชี้ขาดว่าเราเป็นอะไรในชาติปัจจุบัน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 ความเกิดดับไม่ซ้ำตัวเดิมนั่นแหละที่เรียกว่าอนัตตาตลอดมาได้มีอนัตตาจำนวนอ น, นันต์เกิดดับทับถมอยู่ในห้วงจักรวาลแห่งความว่างเปล่านี้เพียงเพื่อสักแต่ก่อให้เกิดอุปทานเป็นขณะขณะอย่างไร้แก่นสารเท่านั้นทำกรรมใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อสรวยทุกในรูปแบบใหม่ไปเรื่อยๆใช่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมใหม่คือกรรมที่บุคคลทำด้วยกายวาจาใจในขณะปัจจุบัน เหมือนเช่นที่เรากำลังคุยกันในห้องนี้ฝ่ายหนึ่งอาศัยเจตนาถามเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องอีกฝ่ายหนึ่งอาศัยเจตนาตอบตามที่รู้นี่แหละกรรมใหม่อันเป็นกุศลของพวกเราแค่ถามปัญหาก็จัดเป็นบุญกุศลได้เหรอคะแน่นอนสิเพราะนั่นแสดงถึงอาการของจิตที่ใคร่ในธรรมใครรู้เห็นทางถูกทางชอบพระพุทธเจ้าตรัสว่า การเข้าหาผู้รู้แล้วถ่ายถามว่ากรรมใดเป็นประโยชน์กรรมใดเป็นโทษจะทำให้เป็นผู้มีปัญญามากคนเราจะฉลาดหรือมีปัญญาคิดอ่านก็ต้องมีสติมีความเห็นปัญญาชัดและสามารถเลือกทางแก้ปมได้ถูกต้องใช่ไหมคุณสมบัติเหล่านี้จะตามมาเองถ้าเราตระหนักว่าบุญทั้งหลายเป็นประโยชน์บาป ท, ทั้งหลายเป็นโทษแล้ว ที่พ่อหมอเจาะจงว่ากรรมเก่าของหนูเอ่อเป็นไปในแบบสวยเพื่อนำทุกและภัยมาสู่ตัวลองแจกแจงให้เข้าใจหน่อยได้ไหมคะจะได้สังวรต่อไปอกรรมในอดีตที่ตกแต่งให้หนูสวยนั้นมีองค์ประกรอบหลายอย่างทั้งความเคยชินที่จะทำทานด้วยจิตศรัทธาและทั้งความตั้งใจเว้นขาดจากการผิดศีล แม้รายละเอียดในชีวิตจะมีมากแต่รวมน้ำหนักแล้วก็สรุปได้ว่าทานกับศีลในอดีตที่ดีเกินระดับเฉลี่ยของหนูส่งให้รูปปรากฏในชาติปัจจุบันออกมาดูดีเกินระดับเฉลี่ยเช่นกันแล้วกรรมที่นำทุกน้ำภัยมาสูตรตัวแล้วคะคืออะไรคะอืมย้อนกลับไปเมื่อสองชาติก่อนเริ่มขึ้นมาหนูเคกมีความน้อยเนื้อต่าใจที่รูปไม่งามไม่ค่อยมีชายมาแลแต่ชาตินั้น หนูเป็นคนใจใหญ่เพราะได้ยินเสียงร่ำลือว่าผู้ใดประพฤติผมจันทร์นุ่งขาวห่วมขาวรักษาศีลอุโบสถเพียงเดือนละสี่วันก็สามารถเลือกเกิดใหม่อย่างไรก็ได้หนูก็เลยตั้งใจปฏิบัติชนิดที่ยอมให้โจรเชื่อดคอดีกว่าถูกบังคับให้ตบยุงตายเพียงตัวเดียวชาตินั้นหนูไม่ได้บวชแล้วค่ะหนูแค่ประพฤติตนเป็นอุบาสิกาที่ดีปัญหาซับซ้อนน่ะมันเริ่มจากตรงนี้ หนูรักษาศีลอุโบสถโดยไม่มีใครให้คำแนะนำใกล้ชิดนักแล้วก็ไม่มีใครรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของหนูหนูจึงตั้งคำอธิษฐานตามอําเภอใจโดยไม่มีใครทักท้วงเช่นกันหนูอธิษฐานว่าอย่างไรเหรอคะก็อย่างที่บอกครั้งนั้นน่ะหนูเริ่มคิดรักษาศีลอุโบสถจริงจังก็เพราะความน้อยเนื้อต่ำใจที่ว่ารูปไม่งามแทบไม่มีใครมาเหลียวแลก็เลยอธิษฐานซ้ำๆยำๆ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 ใช้ซื้อรูปอันงามยั่วยวนใจชายได้ทุกพบทุกชาติราวกับไม่มีสิ้นสุดสมความประสงค์ด้วยระดับยานของผมก็มองไม่เห็นเลยว่าเงาแห่งความเป็นคนรูปงามของหนูจะทอดไปจบลงเมื่อใดเพราะความมั่นคงในครั้งนู้นจะดนใจให้โอนเอ็นมารักษาบุญไว้ไม่ขาดด้วยอย่างนี้ซายพอนึกออกแล้วค่ะว่าทาไมผู้หญิงบางคนที่โลภที่โกรธทั้งชีวิต ก็ยังไม่หมองจนหมดสวยเสตียนั่นเพราะบางคนรวยบุญจนใช้ยังไงก็ไม่หมดนี่เองเหมือนเศรษฐีแสนล้านต่อให้เผาธนบัตรทิ้งเล่นวันละปีบเราก็จะไม่มีวันเห็นเขาหมดตัวเลยจนตายแล้วนักเค้กทำกรรมยังไงถึงมีปัญหากับพวกจิตซามนะคะเกิดใหม่ในชาติถัดมาพอโตขึ้นหนูเค้กก็เห็นว่าตัวเองงามพร้อมแถมอยู่ในตระกูลสูงสัก ความทนงจึงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเมื่อบวกกับปมฝังลึกที่เคยขับแค้นกับการไม่ได้รับความเหลียวแลจากชายไหนๆพอได้ทีก็เลยอยากเห็นผู้ชายทั้งโลกมาสยบแทบเท้าตัวซึ่งครั้งนั้นหนุเค้กก็ทำได้ง่ายด้วยกำลังที่พรักพร้อมเพียงแค่ชายตาหรือหันชำเลืองยิ้มสะกดใครเขาก็จะรู้สึกเหมือนถูกเสียดแทงหัวใจแทบตายดับอยู่ตรงนั้นทันทีหนีไปไหนไม่รอดเพราะยิ่งเห็นผลมาก หนูก็เลยยิ่นย่ามใจมากขึ้นชาติก่อนเราเลวถึงขนาดนั้นเลยเหรอไม่น่าเชื่อนะก็ชาตินี้เราไม่เห็นมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยลองฟังผมพูดให้จบก่อนแต่ละชาติไม่ได้สั้นแค่เดือนเดียวหรือแค่ปีเดียวหนึ่งชีวิตเปิดโอกาสให้ผูกกรรมหลายซับหลายซ้อนนักค่ะพ่อหมอรู้ความในใจเราอีกแล้วสมัยที่หนูเกิดเป็นนางผู้เลอโฉมนั้น มีแต่คนมาหลงรักทั้งเมืองแถมเกิดกิติศัพท์แพร่กระจายไปถึงเมืองอื่นด้วยแต่ไม่มีใครทำให้หนูหลงได้สักรายเดียวพอเวลาผ่านไปผ่านไปก็เลยเกิดความงดหงิดตรงนั้นเองวิบากที่ไปยั่วคนอื่นให้หลงรักหนูข้างเดียวเริ่มโดนใจให้ไปนึกพิศวาสทาตร่างกายาคนหนึ่งในบ้านทั้งที่เขาด้อยกว่าทั้งวัยฐานะแล้วก็สติปัญญาคงเข้าใจนะหนูแค่ต้องการใช้เขา เพราะเขาเป็นเบีย้ยใกล้มือไม่มีทางหือและไม่มีวันเพเยน้ามาเรียก ร, ร้องอะไรค่ะหนูคงประพฤติตัวแย่ๆมาหลายครั้งนัเค้กคงไม่ใช่แค่เห็นท่าเป็นเครื่องมือใช่ไหมคะคงเกิดอะไรได้ร้ า, ายกับเขามากทีเดียวก็ลองนึกก็แล้วกันนะว่าราคะที่แฝงมากับความดูถูกเหยียดหยามเนะี่ยมันจะออกมาในรูปไหนผู้หญิงเนี่ยลงท่าขึ้นขี่คอผู้ชายได้ยุคไหนมันก็เหมือนกันหมด ลงเอยต้องทรมานฝ่ายชายทั้งโดยการตบตีทั้งใช้ขอมีคมทำร้ายแล้วก็ทั้งด้วยวาจาเผ็ดร้อนเรียกว่าสิ่งใดทำให้คนคนหนึ่งเจ็บปวดได้หนูเหมาหมดไม่เหลือนั่นเป็นวิธีกรบเกลื่อนความรู้สึกอสูของตัวเองในฐานะนายผู้หญิงฟังแล้วเกลียดตัวเองจังค่ะนี่ยังไม่จบนะต่อมาหนูพบกับคนที่ถูกใจพรั่งพร้อมด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติและทรัพสมบัติ อีกทั้งเขาก็ติดเนื้อต้องใจหนูไม่ต่างจากผู้ชายคนอื่นๆซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นก็ลองคิดดูว่าหนูจะเห็นธาตุที่เคยใช้สอยเป็นอะไรเขาก็เลยกลายเป็นเสี้ยนตำตาหรือน้ำยอกอกไปในทันทีหนูไม่อยากเห็นเขาปรากฏตัวอีกโดยเฉพาะต่อหน้าคนรักใหม่ซึ่งมาเยี่ยมบ่อยๆจึงแกล้งใส่ร้ายเขาทำนองว่ามาด้มๆ ม, มองๆดูหนูในที่ลับ เกงจะเกิดอันตรายกับตัวและขอร้องพ่อให้ขายทาสทิ้งไปเสียพ่อของหนูทำตามคำขอไหมคะก็อย่างที่หนูเดาได้นั่นแหละทาสของหนูคนนี้น่ะแม้ถูกหนูทำร้ายสาหัสขนาดไหนก็ยังเทิดทูนบูชาจงรักภักดีต่อหนูเทียบเท่าเจ้าชีวิตเสมอต้นเสมอปลายต่เมื่อภายหลังเขารู้สาเหตุว่าถูกขายขาดให้บ้านอื่นอย่างประศัก์ความใหญ่ดี เพียงเพราะตัวเองมีสภาพเหมือนก้างขวางคอของหนูเขาจึงเจ็บช้ำน้ำใจน้อยใจถึงขั้นกลับด้านจากรักเป็นชังคุมแค้นฝังแน่นขนาดเปล่งวาจาขอเอาคืนบ้างในชาติหน้าเลวทำไมรู้ถึงเลวได้ขนาดนี้สมแล้วที่ชาตินี้เราก็โดนต่อยเอาไปขายคืนเหมือนกัน อย่าร้องไห้เลยนะคะนักเคก้กเรื่องมันผ่านมานานแล้วและชาตินี้นักเค้กก็ชดใช้กรรมเวรไปพอสมควรแล้วตั้งใจฟังพ่อหมอเล่าต่อให้จบก่อนดีกว่าค่ะซายเชื่อว่าอาจทำให้หนักเค้กเห็นช่องทางดีๆที่จะเกื้อกูลเขาได้ขอบใจจ้ะซายพ่อหมอคะ่ะหนูเข้าใจชัดจริงๆแล้วว่า กรรมที่เกิดจากการขายชีวิตผู้อื่นนี้ร้ายแรงขนาดไหนพ่อหมอเล่าต่อเถิค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอีกอต่อนะฝ่ายของหนูหนูได้ร่วมหอลงรงครองรักครองเรือนกับชายที่หนูถูกใจและเขาก็รักหนูมากทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเป็นอนุภาพบุญเก่าแสดงตัวแต่อายุของสามีหนูสั้นไปนิดนึงอยู่ด้วยกันยังไม่ทันแก่ชารา ก็ตกตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บจากการเดินทางไกลในยุคนั้นงานศพของเขาทำให้หนูคิดได้หลายอย่างและกลายเป็นคนเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมมากขึ้นพอเริ่มศึกษาและศรัทธากรรมวิบากกับทั้งตระหนักว่าชีวิตเป็นของน้อยไม่ควรที่ใครจะประมาทหนูก็ทบทวนกรรมในอดีตของตนเองแลวพบว่าร้อยด่างที่สุดก็คือกรรมร้กาศที่กระทาไว้กับทาตในเรือนนั่นเอง หนูกเกิดความรู้สึกผิดรุนแรงและกลายเป็นปมฝังใจที่ทำให้หวนพวงนึกอยู่เสมอเสมอแม่พยายามไปเจราจาขอซื้อทาสคืนก็สายเกินเพราะเขาโยกย้ายตามนายกลายเป็นคนพลัดถิ่นไปไหนเสียเราก็ไม่รู้หนูเคยสงสัยว่าทำไมชาตินี้เจอเขาแล้วถึงต้องมีเงื่อนปมบีบคั้นให้สำนึกผิดมากมายนะักทั้งเรื่องความต่างของวัยทั้งเรื่องความด่วนได้ในวันเดียว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 กรรมดีในชาติก่อนน่มันส่งให้ชาตินี้มาเกิดในตระกูลดีเป็นคนมีจิตใจดีพบแต่เรื่องดีแต่ในเรื่องความรักถึงคิวที่กรรมร้ายๆมันให้ผลการที่หนูเ ค, ค้เคยล่อหลอกให้คนอื่นหลงไหลคลุ้มคลั่งรูปตนปรุงแต่งจิตให้ชาตินี้เป็นคนหลงรูปง่ายและเจอแต่พวกโลเลนิยมรักซ้อนทอดทิ้งหนูไปหาคนอื่นเสมอจริงค่ะ แล้วอีประการหนึ่งนะถึงแม่ชาติก่อนหนูจะดีแค่ไหนแต่จิตใจส่วนหนึ่งยังคงเศร้าหมองไม่อาจตัดความอาลัยและความรู้สึกผิดที่มีต่อธาตุเก่าซึ่งก็คือเขาที่มาเป็นคู่เวรในชาตินี้วันแรกๆที่พบกันหนูสังหรณ์ไม่ดีแปลกๆใช่ไหมล่ะค่ะนั่นแหละความอาลัยผสมความรู้สึกผิดเก่าๆบวกกับสัญชาตญาณของจิตที่เห็นว่าชาตินี้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 ปัญหาก็คือน้อยครั้งที่เราจะเห็นคุณของการมีขันติมีกรอบมีเกณฑ์ที่ถูกต้องส่วนใหญ่จึงเหมือนต้องเลยตามเลยตามแรงซัตว์ของกรรมเก่าแล้วทำไมชาตินี้นายคนนั้นถึงเกิดมามีหน้าตาดีนักล่ะคะเมื่อพ่อของหนูเ ค, ค้กขายเข้าไปเขาก็โชคดีไปเจอนายใหม่เป็นคนใจบุญชอบให้บา่าวไพร่ติดตามไปวัดและช่วยกันใส่บาตรถวายของพระรวมทั้งทาความสะอาดวัดนอกจากนั้น นายใหม่ยังให้ความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือถ้าใครถวายของพระด้วยจิตยินดีมีศรัทธาแม่ของนั้นไม่ได้ซื้อหามาด้วยทรัพย์ของตนก็ช่วยให้พ้นจากสภาพของทาตเกิดใหม่จะมีฐานะร่ำรวยและมีรูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณน่าชื่นชมอดีตทาตหนูเค้กก็น้อมใจเชื่อและมันช่วยนายใหม่ประกอบการบุญด้วยศรัทธาภาสาทะที่แรงกล้าเหนือทาตอื่น วิบากของความยินดีในการถวายสังฆทานให้ผลเร็วคือเห็นอ น, นิสงได้ตั้งแต่ชาตินั้นแล้วเพราะจิตใจที่อ่อนโยนเคารพ บ, บุญกระตือรือร้อนในกิจอันเป็นกุศลดลให้นายเกิดน้ำจิตคิดกรุณาเป็นพิเศษประกาศปล่อยเขาพ้นจากสภาพทาตแถมเรื่องระดับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเหลือกิจการงานของนายในฐานะคนใกล้ชิดอีกด้วยสรุปก็คือทั้งชีวิตที่เหลือนั้น เข้าเต็มไปด้วยโอกาสตกแต่งจิตใจให้งามพร้อมด้วยรังสีกุศลผลที่ปรากฏชัดในชาตินี้จึงเป็นรูปร่างหน้าตาสมน้ำสมเนื้อกับกรรมดีที่สร้างไว้ในพบเดิมแล้วทำไมชาตินี้ก็ถึงเจ้าชูน้นักล่ะคะเนเมื่อเคยใจบุญออกปานนั้นคนเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ลงลืมอดีตมองไม่เห็นที่มาที่ไปของคุณสมบัติต่างๆในตน พอเขาพบว่าตนเองเกิดมายังไม่ทันต้องทำอะไรก็หล่อเลามีแต่สาวๆมาหลงก็ย่อมกระหยิมในความเป็นคนเจ้าสเสนกับทั้งเห็นว่าภาวะของเพศชายนั้นได้เปรียบมีแต่ได้ไม่มีเสียจึงลำพองในวัยต้นของชีวิตเป็นธรรมดาสรุปว่าผู้ชายอาจเจ้าชู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเคยเป็นคนเลวในอดีตแล้วคะหนูทายเห็นว่ายังไงความเลวเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงสิคะแต่อคติทําให้ใจหนูรู้สึกว่าเที่ยงใช่ไหมเออก็ในชาติเดียวกันคนเรายังกลับไปกลับมาระหว่างเลวกับดีได้หลายร้อยหลายพันครั้งแล้วข้ามชาติข้ามพบมาจะหาความแน่นอนอะไรได้ถ้าหนูตัดอคติทิ้งเห็นความจริงว่าทุกๆคนต่างมีที่มาที่ไปในการก่อกรรมใจก็จะเป็นกลางไม่ต้องทุรนทุรายเรียกหาความยุติธรรม เมื่อเห็นคนหน้ามันไส่ยังอยู่ดีมีสุขและไม่ต้องมืดมนกับความสะใจสมน้ำหน้าเมื่อเห็นศัตรูประสบทุกปางตายเงี้นหนูขอถามด้วยความอยากรู้ในอีกอารมณ์นะคะความเจ้าชู้เนี่ยสืบต่อข้ามชาติได้หรือเปล่าการสืบนิสัยข้ามชาตินั้นไม่ตรงไปตรงมาเสียทีเดียวหรอกหนูสายอย่างเช่นอดีตแฟนหนูเค้กสมัยเป็นทาสเขาเริ่มชีวิตมนุษย์ด้วยทุนเดิมที่น้อย รูปไม่งามน้ำไม่เพราะกินอยู่เยี่ยงทาตก็ขาดปัจจัยส่งเสริมให้เป็นคนเจ้าชู้ถ้าหนูรู้จักเขาในชาตินั้นจะเห็นเขาสงบเสงี่ยมเจียมตนรักเดียวใจเดียวดูน่าสงสารมากหมายความว่านิสัยใจคอมีขึ้นมีลงตามทุนดอนเฉพาะหน้าใช่ไหมคะถ้าใช้ชีวิตตามสรรชาตยานอย่างเดียวก็ทำนองนั้นสัตว์ทั้งหลายมักว่ายตามกระแสน้ากันเกือบหมดวิบากสั์ไปทางไหน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 ถ้าเป็นชายที่มีดีพร้อมแล้วเจอผู้หญิงมาเสนอตัวมากมายแต่ก็ปฏิเสธด้วยความปรารถนาในรักเดียวใจเดียวตลอดชีวิตก็จะเกิดนิสัยอันเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาเกิดอีกี่ชาติก็มักจะซ้ำรอยเดิมคือไม่เป็นคนเจ้าชู้หลายใจไปเรื่อยเข้าใจแล้วคะ่ะสายเพิ่งได้ดูเนะืเค้กเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าการให้อภัยอย่างไม่มีประมาณทากันยังไงยิ่งผ่านแบบทดสอบหลายเล่า อภัยทานก็ยิ่งสว่างและกระจ่างชัดขึ้นเรื่อยๆตอนนี้หน้าตาหน้าเค้กกลายเป็นสัญลักษณ์แทนอภัยทานได้เลยสำหรับทรายเรื่องใหญ่ที่สุดยังอภัยได้ชีวิตที่เหลือก็ไม่มีเรื่องไหนทำให้หนูเค้กผูกจิตอาฆาตพยาบาทได้อีกนิสัยรักการสละพยาบาทติดตัวข้ามชาติต่อไปไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะการจองเวรมากเท่าคนอื่นแปลว่าชาตินี้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 และกระทั่งเบียดเบียนตนเองด้วยความคิดร้อนร้อนไม่หยุดยอนอภัยทานเป็นแค่สนามพลังลดแรงกระแทกไม่ให้พยันตรายเข้าชนเราจังๆตามน้ำหนักเดิมเท่านั้นเออแล้วไม่มีวิธีการเดินทางไกลแบบปลอดภัยจากภัยเวรได้เลยเหรอคะนี่คือสัจจะประจำวัตะสงสารที่หนูต้องจดจำให้ขึ้นใจเลยนะความเที่ยงไม่มีความทนอยู่ได้ไม่มี และตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งตามปรารถนาก็ไม่มีหนูสามารถสร้างปัจจัยบวกได้ไม่จำกัดแต่วิบากก็จะทรงเหยื่อล่อมาทำลายตะบะแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นเงาตามตัวเพราะอย่างนี้ไงพระพุทธเจ้าถึงปรัสว่าถ้าคิดจะเดินทางท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเรื่อยๆแล้วก็การพ้นนรกย่อมไม่ใช่วิสัยเฮ้ยแย่จัง ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นความจริงง่ายๆนะหนูทายรู้ไหมว่ารางวัลของการเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่แกล้งหลอกให้ใครมาหลงชอบคืออะไรไม่ทราบค่ะเห็นไหมทั้งๆ ท, ที่เป็นเจ้าของกรรมและกําลังสเสวยวิบากด้านดีอยู่เจ้าตัวก็ตอบไม่ถูกอา้าวคนใจเดียวที่ซื่อสัตย์ไม่เป็นอื่นครองกายอยู่กับคู่ของตนได้ตลอดรอดฟังแม้ถูกทดสอบให้คไ่้แขวก็ไม่วกแวกรางวัลคือ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 ก็จะเหมือนมีแรงผลักให้ห่างออกไปพยายามเท่าไหร่ก็เข้ามาไม่ถึงตัวสักทีก็ฟังดูดีนี่คะทำไมพ่อหมอถึงยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในเชิงว่ามีโทษแฝงอยู่ละคะแง่ที่เป็นโทษก็คือถ้าเป็นหญิงก็มีโอกาสทำให้คนดีๆอกหักก ร, ระนาวและจะนำมาซึ่งความวุ่นวายใจไม่เลิกเมื่อคิดว่าต้องทาให้คนโน้นคนนี้เสียใจอีกอย่างนะ ขอเพียงเผลยินดีที่มีใครมาคลั่งไคลตัวเองอย่างหมดทางสมหวังเท่านั้นละจิตจะเริ่มเสียศูนย์เอียงน้ำหนักเข้าไปติดอยู่ในภพของความเป็นนักหักอกผู้ชายแล้วแค่ความยินดีในผลที่เราไม่ได้ตั้งใจก่อก็โน้มเอียงเข้าไปติดภพบแบบนั้นแล้วหรอคะความยินดีเนี่ยก่อให้เกิดมนโนกรรมถึงไม่ตั้งใจหลอกเขาก็มีความรู้สึกคล้ายหลอกสำเร็จได้อันนั้นแหละที่เรียกว่ากตัดตากรรม หรือกรรมเล็กน้อยที่สําเร็จผลทั้งที่ไม่ตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นไว้ก่อนกรณีของหนูทรายแม้เป็นเวรเพียงเล็กน้อยก็อาจจะพอกพูนเป็นก้อนใหญ่ขึ้นต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหนูไม่รู้ตัวแค่ภูมิใจว่าตัวเองมีดีอย่างนี้นับไหมคะพ่อหนุ่มที่เพิ่งเสียชีวิตเข้ามาลงชอบหนูหนูเพิ่งรู้เร็วๆนี้ใช่ไหมเออค่ะทบทวนซิว่า หนูนรู้สึกยังไงเอ่อยอมรับว่าหนูสาใจอยู่ในส่วนลึกค่ะแต่นั่นเพราะหนูเกลียดเขานี่ค่ะปกติหนูไม่สาใจที่มีใครมาหลงแล้วเฮ้ยขอบคุณพ่อหมอค่ะที่ชี้จุดบอดที่หนูมองไม่เห็นต่อไปหนูจะพยายามแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้คนของนายเค้กมากๆจะได้ลบจุดบอดนี้ทิ้งซะเฮ้ยพูดง่ายนะ แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าขนาดให้เรียกชื่อเขาตรงๆยังยากเลยเค้อยากถามพ่อหมอข้อหนึ่งค่ะออต่อยเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วคะหนูจะอยากรู้ไปเพื่ออะไรล่ะก็ถ้าเขาไปไม่ดีหนูจะได้ช่วยจนสุดความสามารถไงคะคนเราเนี่ยช่วยกันได้เต็มที่ก่อนตายพอตายแล้วก็ไม่ควรเป็นภาระต่อกันอีกแล้ว แม้จะทางใจก็เถอะโอ๊อยแปลว่าเขาไปไม่ดีเหรอคะเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรรู้หรอกหนูเค้กวหายแล้วคะให้หนูรู้เถอะคะมีคนสันนิษฐานว่าเขาน่าจะไปดีแต่หนูยังคาใจอยู่ด้วยสังหอนว่าความจริงไม่เป็นอย่างนั้นอืมอ่ะก็ได้เขาของหนูเนี่ยชื่อต่อยใช่ไหม ใช่ค่ะเมื่อรู้ความจริงหนูจะไม่สบายใจนะมาถึงขั้นนี้แล้วก็โปรดบอกเถอะค่ะถ้าเขาไปร้ายหนูจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขามากๆเขาไม่อยู่ในสภาพที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศลจากใครหรอกหนูเคยชักชวนเขาไปทำบุญแล้วเขาทำหน้าเหมือนลิงหลอกเจ้าใช่ไหม ใช่ค่ะนั่นแหละนี่มีสุดท้ายที่จิตเขาจับไว้ก่อนที่จะตายมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แหละขณะจิตสุดท้ายไม่มีใครต่อรองกับกรรมเก่าของตัวเองได้หรอกหนูเค้กทาใจซะเถอะนะเค้กค่ะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ถูกไฟย่างอยู่ในขุมนรกและสายเชื่อว่าที่เขาดอดนั้น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 าระวางต้องโทษในร่างลิงเขาไม่บังเอิญพลาดทำเรื่องเลวร้ายนะักเข้าไปอีกพอถึงเวลาเคลื่อนจากพบลิงจิตจะนึกถึงบุญเก่าขึ้นมาเองเพราะกุศลกรรมหลายๆอย่างในชาติที่เป็นทาตนั้นติดตามไปอุปธรมได้นานกรรมอะไรบ้างคะที่ให้ผลอุปธรรมได้นานหลายๆชาติศรัทธาในกรรมวิบากเชื่อว่ากรรมที่ทาไปมีผลเช่นครั้งเมื่อเป็นทาตเขาเชื่อรวมทั้งเร่งบาเพ็ญคุณงามความดี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 แปล ว, ว่าพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะมีชีวิตที่ดีใช่ไหมคะก่อนตายเขามีความอาลัยในวัดจิต ท, ที่ประวัติถึงวัดก่อนตายนั้นจะทำให้กำเนิดเป็นมนุษย์ครั้งหน้าจะได้อยู่ใต้ร่มเงาพุทธศาสนาอีกหมออุปการะตอบตามจริงแค่ส่วนเดียวเพื่อให้เอาเวลายิ้มออกโดยขยักความจริงก้อนใหญ่ที่จะทำให้หล่อนต้องเศร้านานเอาไว้อนาคตส่วนอื่นของพรฤหัส ที่หมออุปการะเห็นล่วงหน้าเมื่อเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งนั่นก็คือจะเป็นผู้มีรูปงามเพราะศีลสัตว์ในครั้งเป็นธาตุให้ผลยังไม่หมดแต่หน้าเสียดายที่ในชาติของความเป็นพฤหัสนั้นเขาหมกมุ่นในกามตั้งหน้าตักตวงความสุขจากเรือนกายของหญิงมากหน้าทั้งที่เสนอตัวมาเองและไปล่อลวงมาจึงบดานให้เขาเกิดในรูปของผู้หญิงเพื่อเป็นฝ่ายถูกตัก ต, กตวงบ้าง ยิ่งเกิดเป็นสาวสวยก็จะลำบากเพราะมักดึงดูดเสือหิวมหามากกว่าผู้ชายดีๆมีสินสัตว์กรรมที่พรฤหัสมีจิตคิดแต่จะเอาไม่ชอบให้จึงหมดสิทธิ์เกิดในตระกูลล่ำรวยหมดสิทธิ์ได้อยู่สะดวกสบายนักถึงกระนั้นกรรมดีในยุคเป็นทาตจะช้อนรับเขาไว้ไม่ให้ตกตามติดดินระดับสลัมพ่อแม่เขาจะเป็นพวกมีบ้านอยู่ แต่ฐานะการเงินจะฝืดเคืองไม่สามารถซื้อหาอะไรตามที่เขาปรารถนาถ้าอยากได้อะไรต้องหาเองการที่พรฤหัสกุเรื่องเก่งโกหกเป็นไฟหน้าตาเฉยโดยปราศจากความละอายนั้นจะตะล่อมชีวิตหน้าของเขาให้เข้าสู่เส้นทางแห่งการหลอกลวงกล่าวคือไม่ว่าไปทางไหนก็จะเจอแต่ถ้อยคำอันเป็นเท็จกับทั้งเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายจิตใจอ่อนไหว ใครๆจึงเห็นเป็นตัวกระจอกหน้ารังแกแม้ใบหน้าและส่วนทรงในชาติถัดไปของพฤหัสจะดูดีแต่ต้นชีวิตจะถูกกรรมจากการโกหกในชาติเก่าปรุงกระแสให้มองแล้วไม่น่าเชื่อถือตกแต่งน้ำเสียงให้ฟังขาดน้ำหนักกับทั้งกระตุ้นสมองให้ทำงานแบบชอบฟุ้งซ่านนิยมการพูดเหลวไหลใครๆไม่ค่อยให้ความสำคัญจึงมีแนวโน้มว่า โตขึ้นในชั้นเรียนแบบเด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเองการที่เคยล้อเลียนและเย้ยหยันบุญกุศลขนาดเคยไปติดอยู่ในพบหลิงนั้นจะทำให้คราวต่อไปที่เกิดเป็นมนุษย์จะมีจิตกระด้างกิริยากระโดกกระเดกสุกสนไม่เป็นที่น่าเอ็นดูในสายตาของผู้ใหญ่หากอยากเปลี่ยนแปลงก็ต้องใช้ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ในชาติใหม่อบรมขัดเกลากันนานกว่าที่จะกลมเกลี้ยงเหมือนมนุษย์มานาทั่วไปได้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 ยากจะพ้นวงจรแห่งกามอันต่ำทรามไปได้ด้วยอำนาจกรรมดีที่เคยช่วยทำความสะอาดวัดด้วยใจศรัทธาในภพของธาตุบวกความอะไรในวัดก่อนตายในชาติล่าสุดพฤหัสจะเกิดใหม่ในสังคมที่นับถือพุทธแต่เสียดายที่เคยปฏิเสธการชักชวนไปทำบุญแถมยังก่อ บ, บาปด้วยการทิมตามให้คนชวนเสียใจบันทอนกาลังใจใครต่อใครในการทาความดีหลายขนวิบาก จึงส่งแรงผลักไสเข้มข้นกว่าดึงดูดดังนั้นในต้นวัยจึงเป็นพุทธอย่างปล่าประโยชน์คือเหมือนไม่ได้เป็นไม่อยากเข้าหาธรรมะและกระทั่งมีแนวโน้มอยากปฏิเสธธรรมะด้วยซ้ำอย่างไรก็ดีด้วยความที่ครั้งเป็นทาตเคยอยู่ใต้การปกครองของคนดีมีสินธรรมเคยว่าง่ายภายใต้อวาตของนายจึงเกิดเป็นช่องทางเป็นไปได้ที่จะเกิดความเห็นชอบอีกครั้ง เพียงแต่ยากหน่อยต้องพบกาลยานามิตรผู้มีความดีงามน่าเริ่มใสศรัทธาจริงๆใจถึงจะยอมลงให้และแม้พบกลยาณมิตรแล้วอยากเข้าสู่เส้นทางธรรมแล้วก็ยังต้องประสบกำแพงวิบากคือเป็นผู้มีความสองจิตสองใจแวบหนึ่งอยากทำบุญฟังธรรมแต่ฟังเข้าจริงๆจะกระสับกระสายไม่เป็นสุขเกิดความลังเลสงสัยสารพัด ต้องต่อสู้กับเครื่องรบกวนทั้งภายนอกและภายในไม่หยุดหย่อนอยากถอยมากกว่าอยากก้าวไปข้างหน้าให้ถึงที่สุดจิตคนยุคนี้นะมีคติไปเป็นเปรตหรือเดรัจฉานโดยมากเพราะถ้าให้ลองสํารวจดูจะพบว่าสิ่งที่ใจคนเกาะเกี่ยวเป็นปกตินั้นคือเครื่องเศร้าหมองเกือบรุนล้วนนั่นก็ก่อให้เกิดราคะนี่ก็ก่อให้เกิดโทสะสรุปแล้วจิตเต็มไปด้วยหมอกมัวของโมหะ พอหุ้มอยู่เกือบตลอดเวลาตอนตายก็เลยตายแบบมืดๆลงอบายกันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยทีเดียวฟังแล้วสยหยองจังค่ะฟังพ่อเหมาวันนี้สายคงต้องกลับไประวังแม้ความคิดเล็กๆน้อยๆ อ, อ, อาจถึงข่้ต้องเกรงกันทุกขณะจิตทีเดียวอย่างพอรู้ว่าในคนที่ตายไปมาชอบสายก็ยอมรับเลยว่าวันเดียววนเวียนคิดสะใจซ้ำซากอยู่เป็นร้อยหนเฮย้ย น่าเหนื่อยนะคะกับการฝืหนหยุดความคิดตัวเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปฝืนมันไม่ใช่เรื่องน่าเหนื่อยหรอกถ้ารู้วิธีหนูก็เริ่มจากการมีเมตตาจิตให้เขาก่อนต่อไปถ้าจะพูดถึงเขาก็เรียกชื่อเขาซะหน่อยไม่ใช่พูดอ้อมค้อมเสา ย, ยาวอย่างในคนที่ตายไปบ้างคนของนักเค้กบ้างวิธีที่เราเรียกใครเนี่ยมันสะท้อนออกถึงใจว่ามีความเมตตาอยู่แค่ไหน อ, อจริงนะคะลองซ้อมดูสิว่าทาได้ไหมหัดเรียกชื่อเขาต่อหน้าคนอื่นแล้วฟังดูว่าเสียงของหนูน่ะมันแข็งหรว่า อ, อ่อนแค่ไหนค่ะต่อไปถ้าพูดถึงเขาหนูจะเรียกเขาว่าตอยเห็นแล้วใช่ไหมแค่คิดหรือพูดกับใครในทางที่ทำให้เกิดความสบายใจเมตตาเขาจะตามมาเองค่ะถ้าความเกลียดยังคาใจทาย แค่กระทั่งเอ่ยชื่อเขาก็เอ่ยไม่ได้อยู่ๆจะไปแผ่มเมตตาให้เขาก็คงแผ่ด้วยใจแห้งๆหรือกระทั่งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาก็คงทำแบบเจออยู่ด้วยโทสะกรุนๆอืมบางทีเส้นผมบางตาไม่ให้เห็นผู้เขาเนี่ยก็เกี่ยวด้วยตัวเองยากเหมือนกันนะคะขอพระคุณค่าที่เกี่ยให้เมื่อตั้งต้นด้วยการกําจัดอุปสรรคทิ้งได้ต่อไปหนูก็จะไม่เกรงเวลาความสะใจผิดๆย้อนกลับมา จะเกียร้อยกี่พันหนก็นตามเธอแค่ไม่ยินดีไปกับมันก็พอมันจะเหมือนลมเพลมพัดที่ซัดเราปลยวตามไม่ได้ฐานคือความเมตตาจะเป็นที่ยืนที่มั่นคงให้กับเราอย่างถาวรและสำหรับหนูละ้คะทำอย่างไรถึงจะรื้อโครงสร้างกรรมเก่าที่เคยเข้าใจผิดถือศีลโดยเอาราคาดนำละคะชาตินี้นาทีนี้หนูมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว่า ไม่มีชาติไหนจะเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของตัวเองเท่าชาตินี้อีกแล้วหนูแค่ตั้งใจถือศีลอุโบสถใหม่บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นคือเพื่อความมีกายใจสงบไม่กวัดแกว่งซัสดสายสะอาดพร้อมพอจะรองรับธรรมะขั้นสูงขึ้นค่ะแต่เออศีลอุโบสถนี่คืออะไรแล้วต้องรักษากันอย่างไรเหรคะเอางี้ จำไว้ง่ายๆว่าเป็นวันที่เราตั้งใจรักษากายใจให้สะอาดด้วยการกำหนดว่าจะถือศีลแปดคือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่ร่วมประเวณี 4. ไม่โกหก 5. ไม่เสพเครื่องมึนเมาทำลายสติ 6. ไม่กินข้าวหลังเที่ยง 7. ไม่เสพเครื่องบันเทิงหรือของหอมหววใจใดๆที่ยั่วให้เกิดกิเลสและ8 ไม่นอนฟูกนุ่มสบายอันมีส่วนให้เกียรติคร้านระหว่างวันควรขวนขวายทำบุญฟังธรรมหรือสวดมนต์นั่งสมาธิประกอบไปด้วยถึงจะเห็นว่าผลการถือศีลแปดมีความหมายอย่างที่สุดได้แค่ไหนแล้วต้องถือไปตลอดเลยหรือเปล่าคะโอ้ไม่ต้องลอกไม่ต้องทุกวันลอกชาติก่อนหนูก็ถือปฏิบัติแค่เดือนละสี่วันคือสาหรับผู้ยังมีกาลังอ่อน ท่านกำหนดวันที่ดวงจันทร์ปรากฏให้เห็นเป็นเครื่องหมายดูง่ายคือวันพระจันทร์เต็มดวงกับวันพระจันทร์ดับวันพระจันทร์ครึ่งดวงขึ้นแปดค่ำและวันพระจันทร์ครึ่งดวงแรมแปดค่ำพูดง่ายๆว่าถือศีลทุกวันพระก็พอขอยิงชั่วหน่อยค่ะเรื่องอดกินข้าวเย็นเนี่ยถ้าต้องทำตลอดไปคงทรมานมากเลยพระหนูทำงานกลับมาเหนื่อยรู้สึกหิวไสเกลเกือบทุกวัน อณนนิสงของศีลปดเนี่ยจะทำให้หนูค่อยๆขยับเลื่อนระดับความพอใจขึ้นไปอย่างเป็นธรรมชาติแล้วร่างกายจะต้องการอะไรๆน้อยลงเองออถือศีลแปดทุกวันพระแล้ววันปกติก็ต้องถือศีลห้าด้วยนะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยตามอำเภอใจยังไงก็ได้อันนั้นน่ะแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะตั้งแต่คบกับท้ายหนูเผลอล่วงศีลแค่นิดๆหน่นนอยๆและพอรู้ตัวก็ตั้งใจไม่ทาอีกดี บาปใดที่ละได้แล้วแม้ต้องผลติตผลก็จะไม่สม่ำเสมอและมีกำลังอ่อนกับทั้งเปิดช่องให้บุญแทรกแซงได้ง่ายส่วนบาปที่ละไม่ได้ใจยังติดอยู่จะให้ผลแน่นอนมีความสม่ำเสมอและยากที่บุญใดๆจะมาตัดรอนการที่หนูตั้งใจมั่นรักษาศีลห้าและศีลแปดก็คือการเอาใจออกห่างจากบาปทั้งปวงเคลื่อนเข้าสู่สภาพตั้งมั่นในบุญทั้งปวงนั่นเองนี่แหละ วิธีเลือกเกิดใหม่อย่างฉลาดพร้อมหนึ่งปีผ่านไปโครงการวิจัยเพื่อประดิษฐ์เครื่องพยากรณกรรมเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นจองเลิกว่าจ้างนักวิจัยมือดีมาช่วยไม่ได้เลยสักคนทําไปทํามาทั้งโครงการจึงเหลือเพียงเขาเป็นหัวหน้าทํางานเต็มเวลาหนึ่งคนกับลูกมือที่ทํางานตามแต่จะว่างอีกหนึ่งคนจองเลิกปฏิบัติตามที่นัชเลขอร้อง ยอมเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเปิดเพื่ออาวุธโดยใช้วิธีจ้างคนไปนั่งจดเลคเชอร์ถึงวันสอบค่อยไปสอบเวลาเกือบทั้งหมดทุ่มเทให้กับงานวิจัยเต็มที่และจองเริศใช้ความพยายามเส้าซีอยู่ร่วมปีก็ขอมั่นกับนัชเลได้สำเร็จโดยที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงเต็มใจเนื่องจากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาทากรรมดีพิสูจน์ให้ทุกคนเห็น โดยเฉพาะในแง่ของความเสมอต้นเสมอปลายคบหากันัชเลด้วยความอยากจะให้มากกว่าอยากจะรับจึงสามารถชนะใจพ่อแม่ของเธอได้และหลังจากงานมั่นจองเริกก็ไปหาหมออุปการะเพื่อรายงานผลความคืบหน้าในการสร้างเครื่องพยากรกรรมว่าไงพอนักประดิษฐ์เอกสวัสดีครับอาจารย์ อย่างที่โทรบอกนะครับวันนี้จะขอสรุปรากฐานทฤษฎีสร้างเครื่องพยากรณ์รมและอยากให้อาจารย์ช่วยดูว่าครอบคลุมเพียงพอสําหรับการเริ่มต้นแล้วหรือยังได้สิว่าไปเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้องทําคืบหน้าไปถึงไหนแล้วถามจากที่อาจารย์เห็นก่อนดีกว่าเ อ, อ่อถ้านี่เป็นรถเรือถึงตอนนี้รุ่ล่วงไปแค่ไหนแล้วครับอืมถ้าเปรียบกับโครงสร้างของรถเรือ ก็ยังถือว่าเป็นแค่รูปวาดอยู่ในกระดาษแต่เริ่มมีเขาของต้นแบบที่จะเอาไปใช้ในโรงงานประกอบชิ้นส่วนจริงบ้างแล้วล่ะเอืมเท่าที่สัมผัสเห็นเนี่ยสมองของน้องทำงานเหมือนสายฟ้าแลบอยู่เกือบตลอดทั้งยังรวบรวมข้อมูลมหาศาลทั้งยังคิดคำนวณอะไรซับซ้อนประติดประต่อกันพิสดาลเหลือเกินผมเห็นกองงานของน้องใหญ่โตราวกับภูเขาอะไรสักลูก ระวังผมหงอกก่อนอายุยี่สิบนะน้องนะทักนี้ตรงเป่งเลยครับอาจารย์ผมหงอกเพือจะงอกออกมาเส้นหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เองสายเป็นคนเห็นจากข้างหลังแล้วตกใจใหญ่ปริมาณงานกับข้อมูลที่ผ่านสมองน้องแต่ละวันอาจจะมากเท่าคนทั่วไปเจอกันเป็นเดือนอย่างนี้อีกสิบปีจะเกิดพายุในหัวแรงเกินจะรับทาให้สมองพังได้นะ น้องควรฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดความสมดุลบ้างแล้วล่ะรู้ตัวครับเรื่องคิดแรงจนหยุดไม่ได้เนี่ยเป็นมาพักหนึ่งแล้วปีหนึ่งที่ผ่านมาเหมือนทำโปรเจกต์ย่อยๆพร้อมกันร่วมร้อยโหดกว่าตอนพยายามเจาะระบบดาวเทียมไม่รู้กี่เท่างั้นไว้ผมจะเรียนทำสมาธิ ก, กับอาจารย์บ้าง น, นะครับอายุจะได้ไม่สั้นดีตอนนี้ผมใช้วิธีซื้อข้อมูลจากแหล่งวิจัยเกี่ยวกับ DNA ต่างๆมาวิเคราะห์ถือว่าเข้าทางลัด ยน่นเวลาได้มากพอดูแทนที่จะต้องอาศัยสมองอาศัยซูเปอร์คอมพิวเตอร์และอาศัยเวลาเป็นสิบปีแรกๆเนี่ยเคยเกือบคิดปล้นเงินอีกเพราะคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วน่าจะไม่พอใช่ไหมล่ะอับายยื่นบันไดต่อมาให้จริงๆครับขณะคิดเรื่องทำบุญเรื่องกุศลบาปเก่าๆยังอุตส่าห์จะตามมามีเอี่ยวนี่ถ้าไม่มีศรัทธาในกรรมวิบากมากพอ ก็คงสู้แรงยุ่ฟฝตามไม่ไหวเหมือนกันตอนนี้ผมเอาชนะข้อจำกัดด้วยการแบ่งงานออกเป็นหลายส่วนหลายระยะเช่นบางส่วนจะรอเทคโนโลยีคอมพิเตอร์ที่เร็วกว่านี้อาจจะอีกสักสิบปีค่อยเริ่มลุยป่านนั้นต้นทุนคงถูกลงเป็นร้อยเท่าแล้วดีแล้วนี่รอสิบปีดีกว่ามีกรมดำเปื่อจิตน้องอุตสาขาวขึ้นขนาดนี้แล้วเหตุผลไหนๆก็ไม่พอจะให้น้องกลับไปกระด่างกระดาอีกหรอก ผมพยายามศึกษาเทคโนโลยีหลายทางเพื่อต้องการใช้เป็นประโยชน์กับงานผลต้องการให้กรคำใหม่ของแต่ละคนถูกเก็บในรูปของข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ถ้าผมถอดรหัสข้อมูล DNA ซึ่งเป็นกรคำเก่าสำเร็จก็จะสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างกรคำเก่ากับกรคำใหม่ได้อย่างกรณีของน้าเค็กซึ่งอาจารย์บอกว่าอดีตของเขาถือศีลแปดด้วยเจตนาอันเจือด้วยราคะผลในปัจจุบันซึ่งเห็นด้วยตาเปล่าก็เป็นแบบหนึ่งในทางร้าย ทีนี้พอนาเคกถือศินแปดด้วยความเข้าใจถูกต้องตรงทางมาครบปีแล้วก็เห็นความจริงไปอีกแบบหนึ่งในทางดีเมื่อรัศมีพิสูจิ์ของสินแปจะดึงดูดแต่ผู้ชายดีๆเข้ามาหาหนาเคกจนมืดฟ้าโมดินไปหมดแต่ละคนประวัติ ด, ดีชนิดมีกลิ่นสะอาดลอยออกมาจากจิตกันเลยทีเดียวอนุภาพของศินแปดนะ่ะเป็นของใหญ่พอสั่งสมไปจนรัศมีเริ่มทอตัวออกมาจากภายในผลหลายๆอย่างก็เริ่มปรากฏชัดออกมาที่ภายนอก นั่นล่ะครับท่านาเคเคยรักษาสินแปดมาก่อนและกําลังเสวยผลกรรมนั้นในปัจจุบันด้วยการมีรูปร่างหน้าตาดีร่างกายก็ต้องมีข้อมูลบางอย่างที่สอดคล้อง ก, กันกับเจตนาถือสินแปดใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาผมสันนิษฐานว่าเมื่อเอาบุญเก่าเช่นสินแปดมาต่อ ย, ยอดก็จะเห็นผลใหญ่รวดเร็วกว่าพวกไม่มีวิบากทางศินแปเป็นฐานอยู่ก่อนน้องเห็นถูกแล้วล่ะกรรมเก่าเป็นฐานเป็นแนวโน้ม และเป็นที่ตั้งของความรู้สึกสุขทุกข์จากเครื่องกระทบทั้งหลายว่ามีขอบเขตประมาณนั้นส่วนกำใหม่เป็นตัวรักษาเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นแรงขับดันให้ฐานเดิมงอกเงยต่อยอดหรือพังพินาศล่มสลายลงถึงตอนเนี้ผมรู้สึกเหมือนค้นพบความจริงอย่างหนึ่งคือรูปร่างหน้าตาถูกคุ้มด้วยกรำเก่าเป็นหลักแต่ก็ถูกปรับปรุงด้วยกรรำใหม่ได้มากแม้แต่ยากในช่วงแรกของการเปลี่ยนเส้นทางก ร, รมแต่ก็จะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเดินลึกเข้ามาในเส้นทางการสายใหม่นั้นนันใช่บางคนเนี่ยแทบจะเปลี่ยนหมดทั้งรูปร่างหน้าตาเพียงเพราะรู้จักทาทานรักษาศีลด้วยความเข้าใจตลอดสายแต่ก็ต้องสั่งสมบุญใหม่กันหลายปีกว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดผิดกับหนูเค้กเขาซึ่งฐานเก่าน่ะส่งผลรองรับในทางบวกอยู่แล้วพอมาตั้งใจถือศีลด้วยมุมมองที่ถูกที่ชอบเข้าอีกก็ยิ่งงามจัด รับกันทั้งจากภายในและภายนอกรวมทั้งกระแทกวิบากเก่ากระเด็นไปจากวงโคจรชีวิตได้ทั้งที่หนูเค้กนะเ้าเอาจริงในช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่ปีเดียวเท่านั้นเองอีกอันหนึ่งคือกำเก่าจะมีกำลังแรงและมีทิพพลใหญ่ตราบเท่าที่คนเรายังไม่มีการตั้งใจทำทานให้มากรักษาศีลให้มากข้อสรุปนี้ถูกไหครับถูก เพราะแค่มีความเข้าใจมีความปรงใจศรัทธาในทานและศีลทองแท้พบเดิมก็เคลื่อนแล้วและส่งผลกระทบกับรูปดวงแบบเดิมๆแล้วละ่ะแต่ถ้ายังไม่จุดประกายกันด้วยศรัทธาและศีลก็เหมือนแสงสว่างยังส่งกระทบจิตไม่เต็มที่ต่อให้ใช้เคล็ดลงังหรือฉลาดเปลี่ยนแบบแผนชีวิตท่าไหนแม้ได้ผลก็วูบว่าประเดียวประดาวต้องเวียนทุกเวียนสุขประมาณเดิมๆ เ, เพราะยังไม่มีพลังพอจะขับ ให้เคลื่อนออกจากพบเดิมๆนั่นเองผมจะสร้างเครื่องพยากรณ์คำให้ทุกคนวางแผนเลือกเกิดใหม่โดยไม่ต้องตายซะก่อนเพียงบอกว่าแต่ละคนทำกรรมเก่าอย่างไรมาและมีขั้นตอนตามลาดับอย่างไรจึงจะเป็นการต่อ ย, ยอดบุญเก่าที่เคยทำไว้เพื่อให้เห็นผลทันตาเป็นกำลังใจและถ้าเป็นไปได้ก็ลงลึกถึงระดับการเตือนเพียงใครตั้งจิตไว้ผิดหรือยังศรัทธาไม่ตรงทาง รวมทั้งให้คำแนะนำได้ว่าต้องเปลี่ยนความคิดท่าไหนจึงจะบรรลุผลตามต้องการอืไมไว่เลวนะผมขอให้อาจารย์ทำนายอีกครั้งคราวเนี้ไม่ใช่กำลังใจในการเริ่มต้นแต่เป็นความอยากรู้จริงๆครับว่าก่อนตายผมจะทำสำเร็จไหมสำเร็จแค่ส่วนหนึ่ง เดี๋ยวน้องทำทาไปเนี่ยก็จะพบว่าสัจจะเกี่ยวกับกรรมวิบากนั้นยิ่งขุดก็ยิ่งลึกหาเขาเงื่อนตลอดสายไม่ได้หรอกพอน้องเริ่มผมงอกก็จะเริ่มถอดรหัสกรรมเก่ากรรมใหม่ได้กว้างขวางและนำมาหาความสัมพันธ์กันจนบอกคิวการให้ผลกรรมถูกแต่ก็ยังจะมีข้อผิดพลาดให้ต้องคลำหาปมเพื่อแก้ไขไปเรื่อยเื่อนึกแล้วเชียวอย่าห่วงเลยนะ ถึงตอนนั้นจะเริ่มมีเสียงขานรับและมีการรับช่วงต่ออย่างกว้างขวางสาระสําคัญคือน้องได้เริ่มคิดได้เริ่มทําซึ่งอะไรแบบนี้แม้ต้องรอเป็นร้อยๆอยปีมันก็คุ้มเพราะจะทําให้มนุษย์ทั่วไปศรัทธาว่ากรรมวิบากมันมีจริงเมื่อรู้จริงก็จะได้ไม่ต้องทําผิดไม่เช่นนั้นนก็จะเป็นผู้ผิดเพราะไม่รู้อยู่ร่ําไปแค่ได้เป็นผู้เริ่มก่อรูปก่อร่างเท่านี้ ก็มีกำลังกำขาวเหนือกำดำในอดีตมากโขมาโหลาแล้วการเริ่มต้นนั่นแหละสำคัญที่สุดเพราะถ้าขาดก้าวแรกก็จะไม่มีก้าวอื่นๆให้พูดถึงและจะไม่มีเส้นชัยเป็นที่หวังอาจารย์พูดอย่างนี้คอยใจชื้นหน่อยครับเครื่องพยากรกำรรจะมีหรือไม่มีกรมวิบากก็ยังคงทำหน้าที่เขามันต่อไปหน้าที่ของแต่ละคนคือ ทความรู้จักกฎแห่งกรรมวิบากและช่วยเหลือให้คนอื่นรู้ตามเท่าที่กําลังจะเอื้อเพื่อสาระคือการได้คิดและได้ทําประโยชน์สูงสุดให้ตนเองและผู้อื่นแค่นั้นก็น่าจะพอใจเกินก ร, รมไดเปรียบแล้ว